เมื่อหลายปีก่อนที่ประเทศอเมริกามีบริษัทหนึ่งนะเขาเขาเกิดไอเดียกระฉูดขึ้นมาก็คือเขาคิดว่าเดี๋ยวนี้คนชอบเรื่มีความรักสุขภาพแล้วก็ชอบทำอะไรด้วยตัวเองเช่นชอบทำอาหารเองปลูกผักเองีนอเมริกานะเขาก็เลยผลิตเครื่องทำขนมปัง ในครัวเลือนขึ้นม า, นาเพื่อให้ผู้คนนี้ได้ทำขนมปังกินกันเองเพราะว่ามันสามารถทำให้เป็นขนมปังสุขภาพได้เขาผลิตขึ้นมาก็ผลิตเยอะทีเดียวนะเพราะคิดว่าจะเป็นที่นิยมของตลาดเครื่องหนึ่งก็ประมาณ275ดอลลาร์ก็ประมาณ 8,000 กว่าบาท8 0 0 0 9น0 0้นนั่นนะ บอกว่าผิดคาดนะไม่มีคนซื้อเลยนะใครๆก็บอกว่ามันแพงไปเขาไมา่รู้ทําไงเพรลงทุนไปเยอะแล้วก็เลยไปจ้างบริษัทที่ปรึกษาเป็นบริษัทวิจัยตลาดให้มาช่วยแนะนําหน่อยว่าทํำยังไงถึงจะขายได้บริษัทนี้ก็มีชื่อนะก็จ้างแพงด้วยเขาแนะนําว่าอย่างไงเขาแนะนําว่าให้ผลิตเครื่องทองําขนมปัง ในครัวเรือนแต่ว่าให้ทำรุ่นที่มันแพงกว่าใหญ่กว่าแล้วก็แพงกว่าก็คือราคา400ดอลลาร์คือแพงกว่าของเดิมเนี่ย 50% เลยนะไอ้บริษัทที่ผลิตเครื่องนี้ขึ้นมาก็ตกใจว่ า, วาจะบ้าหรือไงนะ275ยังขายไม่ออกเลยนะจะพิมพ์จะขาย400ได้ยังไงแต่ไริษัวิจัยตลาดบอกว่าเชื่อเถินนะ เพราะว่าบริษัทนี้ก็มีเครดิตดีบริษัทที่ผลิตเครื่องทำขนมปังก็เลยเอานะไว้ใจนะไว้ใจที่ปรึกษาก็ทำตามคำแนะนำผลิตเครื่องรุ่นใหม่แต่ว่าก็ผลิตไม่เยอะนะราคา400ดอลลาร์แล้วก็ประกาศขายโฆษณาคู่กันรุ่นใหม่400นะรุ่นเก่า275ปอกว่าขายดีเลยนะ ข่าวนี้ขายดีนะ้แต่ที่ขายดีนี่ไม่ใช่รุ่นใหม่นะรุ่นเก่านะ275นี่คนซื้อกันเป็นแบบเทน้ําเทท่าเลยรู้ไหมทําไมก็ถึงถึงซื้อกันแบบเทน้ําเทท่าเลยทั้งที่ตอนแรกนี่ไม่มีใครซื้อเลยเพราะว่าข่าวนี้เนี่ยคนลูกค้านี่เขารู้สึกว่าไอ้เครื่อง275เนี่ยมันถูกมันถูก พอเขาไปเปรียบเทียกบกับไอ้400น่ะโอ้โหเครื่องหนึ่ง400อีกเครื่องหนึ่งอีกรุ่นหนึ่ง275นี่มันถูกต้องมันถูกประกันต้อง125ดอลลาร์คนก็เลยซื้อไอ้เครื่อง275เนี่ยนะจนกระทั่งหมดตลาดเลยนะอันนี้ก็หน้าหน้าพิศวงนะทีแรกนี้ไม่มีคนซื้อเลยเพราะว่ามันแพงคนก็ซื้อมันแพงนะ แต่ทำไมเขาซื้อพอมีรุ่น400ดอลลาร์นี่คนก็ซื้อรุ่น275กันใหญ่เลยอันนี้ก็เป็นความฉลาดของบริษัทที่ปรึกษานะเขารู้จิตวิจารลูกค้าที่เขาแนะนำให้ผลิตเครื่อง400ดอลลาร์นี่ไม่ใช่เพือหวังขายนะเพราะเขาล้วาขายไม่ออกหรอกแต่เขาแนะนำให้ผลิตเพื่อมาเป็นตัวล่อล่อให้คนเนี่ยรู้สึกว่า275นี่มันถูกนะ แล้วคนที่ซื้อไปนะซื้อไปก็ไม่รู้ว่าจะเอาไปเอาไปผลิตขนมปังหรือเปล่าแต่ซื้อไว้ก่อนนะซื้อไปแล้วก็ยังไปซื้อขนมปังตามห้างตามร้านเหมือนเดิมเพราะว่ามันสะดวกกว่านะเพราะฉ้นไอ้ที่ซื้อไปเนี่ยก็เก็บเข้าไปสายไว้ในในชั้นในในตู้นะเรื่อง น, นี้พวกเรานี่เป็นอย่างนี้บ้างหรือเปล่านะเวลาเราซื้อของเนี่ยเราซื้อว่าโอ้โหที่มันถูกนะ เราซื้อเพราะมันถูกและที่เราคิดว่ามันถูกเพราะว่ามันมีมันมีตัวล่อนะตัวล่อคือตัวที่มันมันราคาแพงกว่าบางทีผู้ผลิตนี่เขาเขาผลิตตัวล่อขึ้นมานะเขาไม่ได้หวังขายนะแต่เขาหวังให้เกิดการเปรียบเทียบกันแล้วคนก็จะได้ซื้อไอ้ของที่มันแพงกว่าก็จริงแต่มันถูกกว่าตัวล่ออันนี้ก็เป็นเป็นอุบายของ ผู้ผลิตนะที่ผู้บริโภคนี่ก็หลงเชื่อไปเยอะแล้วนะเพราะว่าธรรมชาติคนเราเนี่ยนะชอบซื้อของถูกแล้วก็ของถูกของเราเนี่ยมันเกิดจากการเปรียบเทียบไอ้สองนี่ถ้าไปไปเปรียบเทียบกับร้อดอลลาร์ก็แพงนะแต่พอไปเปรียบเทียบกับ400อยนี่มันกลายเป็นถูกไปเลยอันนี้เป็นจิตวิทยานะที่ใช้เพื่อ เพื่อเพื่อคว ก, กระเป๋านะผู้บริโภคนะผู้คนนี่ก็ยอมเสียเงินไปเพราะความเชื่อเพียงว่ามันถูกทางทั้งที่อาจจะซื้อไปแล้วไม่ได้ใช้ไอาการเปรียบเทียบเนี่ยนะมันมนุษย์เรานี่ชอบเปรียบเทียบแล้วการเปรียบเทียบถ้าเปรียบไม่เป็นนี่มันทําให้เราจนลงไปเรื่อยๆนะเพราะว่าเราก็ซื้อ น, นั่นซื้อนี่เพราะมันถูกนะทงน้งที่อาจจะไม่ไจําเป็นเลย ไม่ได้ซื้อมันจําเป็นอะไรแต่ว่าซื้อเพราะมันถูกหน้าที่ถูกเพราะว่าไปเปรียบเทียบกับตัวล่อนะแต่บางครั้งเนี่ยการเปรียบเทียบนี่มันไม่เพียงแต่ทําให้เราเสียเงินนะแต่ว่ายังทําให้เราเสียใจหรือทุกข์ด้วยมีเพื่อนคนหนึ่งนะไปเมืองจีนด้วยกันไปปักกิ่งปักกิ่งเนี่ยมันมีร้านที่มีชื่อร้านนึงนะมันเป็นห้างมากกว่าไม่ใช่ร้านนะชื่อว่าร้านรัเสเซีย มีของนานาชนิดนะติดยี่ห้อแบรนด์เนมทั้งนั้นเลยทั่วโลกเลยแต่ ล, ะละ้วนแต่เป็นของปลอมทั้งนั้นนะอาจจะไม่มีก็ iPad นะเพราะว่าเขาคุมลิขสิทธิ์มากแต่ว่าที่เหลือนี่มีของปลอมทั้งนั้นคนก็คนไทยก็ไปซื้อนะเพราะว่าอยากได้ของถูกก็มีเพื่อนเนี่ยเาไปต่อราคากางเกงยีน มังเกยงยินนี่ก็ยี่ห้อดังเลยละเขาติดราคาสี่ร้อเพื่อนก็ต่อจนกระทั่งได้ราคาร้อยหนึ่งนะสี่ร้อยนี่ต่อได้ร้อยหนึ่งนะดีใจนะซื้อมาหลายตัวแล้วก็พอขึ้นรถรถทัวกลับไปโรงแรมก็พบว่าเพื่อนที่ร่วมทัวเนี่ยนะมีคนหนึ่งเขาซื้อยี่ห้อเดียวกันเลยนะ แต่ว่าเขาซื้อได้แปดสิบาทบอกว่าเพื่อนคนที่ซื้อร้อยหนึ่งนี่ mm. เขาบอกว่าเขาโมโหมาก mm. เขาเสียใจมาก mm. คืนนั้นนอนไม่หลับเลยนะที่แรกดีใจเพราะได้รู้สึกว่าได้ซื้อของถูกนะแต่พอเห็นเพื่อนเขาซื้อได้แปดสิบนี่ mm. เสียใจเลย mm. คิดแบบนี้ฉลาดหรือเปล่านะแล้วเราเป็นอย่างนี้บ้างหรือเปล่านะ mm. เราซื้อได้ของถูกแต่พอพบว่าเพื่อนเขาซื้อได้ถูกกับเรานี่เรานะ mm. เป็นทุกข์เลย มีคนนึงทุกขนาะที่เรียกว่าไอ้ของที่ซื้อมานี่ไม่ใช้เลยนะไปมีเสื้อตัวหนึ่งไปซื้อที่เมืองนอกมนะก็ติดราคาพันห้าก็ไปซื้อต่อได้พันสองแต่พอพบว่าเพื่อนนี่เขาซื้อได้พันหนึ่งนี่แกบอกว่าไอ้พันสองตัวนั้นนี่ไม่ใส่เลยนะเจ็บใจนะอันนี้โง่หรือฉลาด น, นะที่จริงคนฉลาดนี่ก็ต้องมองนะว่าเออ สี่ร้อยนี่เราซื้อมาได้ร้อยหนึ่งนี่ก็น่าจะพอใจแล้วแต่พอไปเปรียบเทียบกับคนที่ซื้อได้แปดสินี่ทุกเลยคนเราทุกพอเปรียบเทียบนี่บ่อยมากนะเท่านั้นที่บางทีได้โชคแล้วแต่ว่าก็ยังทุกที่หมู่บ้านตมาเนี่ยที่วัดป่ามหาวานันมีชาวบ้านคนหนึ่งมาทํางานที่วัดก็ไปซื้อหวยนะหวยใต้ดินนะเลขท้ายสามตัว ซื้อไปแทงไปสิบห้าบาทเพราะว่าถูกนะได้หกร้อยก็ดีใจมากเลยอวดขายต่อใายวัเนียวันนี้โชคดีนะได้หกร้อยแต่พอไปเจอเพื่อนอีกคนหนึ่งทำงานด้วยกันนะที่วัดเขาบอกเนี่ยเขาแทงห้าสิบได้สองพันไอคนที่ได้หกร้อยนี่น่าสิ้นเลยนะที่เคยยิ้มนี่หุบเลยเพราะอะไรนะเพราะรู้สึกว่าเสียดายนะ แทนที่จะกลายเป็นโชคกลายเป็นเคอรอบเป็นสระมอว้านม่น่าจะแถงให้มากกว่านี้อันนี้ฉลาดหรืองโง่นะเพราะว่ามันก็ไม่ต่างจากเมื่อวานเนี่ยเด็กที่ตอนแรกก็เล่นฟุตบอลก็เล่นสนุกสนุกแต่พอได้เงินจากการเล่นนะร้อยหนึ่งต่อมาก็เหลือห้าสิบต่อมาก็เหลือสิอากกอบาทเขานี้เลิกเล่นแล้วเพราะรู้สึกว่าสิบบาทมันน้อยไปทั้งที่ตะกอนนี่เล่นเล่นเป่าเปล่เล่นฟี ฟ, ฟีแล้วก็เล่นสนุกด้วยแต่ตอนนี้ไม่เล่นละ พอได้ได้สิบาทเขาคิดว่าเขาเสียเกนะเขาไม่ได้คิดว่าเขาได้สิบจากเดิมที่เล่นฟรีๆ ค, คนเราเนี่ยถ้าเรามองถ้าเราเปรียบเทียบไม่เป็นนะทุกนะนนคนเราทุกเพราะเปรียบเทียบเยอะได้ได้โบนัสมา 200,000 ดีใจแต่พอรู้ว่าเพื่อนได้สองแสนห้าสามสนี่ทุกเลยและอิจฉาเพื่อนต่างหาอีกนะถ้ามองไม่เป็นนี่มันทุกนะแม้จะได้โชคได้ลาบ หรือว่าถ้ามองไม่เป็นไปเปรียบเทียบไม่ถูกนี่ก็เสียเงินไปฟรีๆนะเพราะว่าซื้อของถูกแล้วก็ไม่ได้ใช้เพราะไม่ได้จำเป็นอะไรในยุคบริโภคนิยมนี้ต้องฉลาดนะฉลาดในการมองนะไม่ฉลาดในการมองนะมันทุกแล้วก็เสียเงินได้ง่ายมากอา่ะเราก็เตรียมรับพร